โทษตัวเองละหมดปัญหาการทำการพูดสิ่งใดที่มันทำให้เราเกิดทุกข์ถ้าเรากำหนดสติดูให้มันชัดเจนลงไปแล้วจิตของเราจะรู้ว่าเราทุกข์เพราะเหตุใดทีนี้มันรู้ว่าเพราะเหตุนั้นใครเป็นผู้ทำให้เราเราเองเป็นผู้ทำให้เราคนมีครอบครัวพ่อบ้านบนว่าเราทุกข์ เพราะพันรยาพันรยาเขาไม่ได้ทําผิดเราเองเป็นผู้ทําผิดจึงไปเอาเขามาเป็นพรรยาถ้าพรรยาคนใดบ่นว่าทุกข์เพราะสามีไม่ใช่ความผิดของสามีแต่มันเป็นความผิดของเราเพราะเราอยากรับเอาเขามาเป็นสามีถ้ามันมาจุดนี้แล้วเราเองเราก็เถียงเราไม่ได้ถ้าเราไปว่าเพราะเหตุอื่นแล้วมันยังเถียงอยู่นะ อย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าเราทุกข์เพราะลูกศิษย์ลูกหามันไม่ใช่ความผิดของลูกศิษย์หรอกมันทุกข์เพราะเราอยากเป็นอาจารย์เขาต่างหากละ่ะมันก็หมดปัญหาเท่านั้นถ้ามองดูบ้านช่องกุติมันรกรุงรังเราไปทุกข์ใจมันไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้หรอกมันทุกข์เพราะเราเราอยากหามาให้มันมากมันก็ทุกข์